ไล่ผีท่านอาจารย์ดีเล่าให้ฟังผีขุนบ้านไปเข้าคนเขานิมนต์ท่านไปไล่ท่านจะท่องมนบทไหนพอขึ้นต้นมันท่องจบไปก่อนหมดจนไม่มีมนจะท่องก็นึกถึงอิติปิโสถอยหลังพอท่องอิติปิโสถอยหลังมันท่องไม่ได้มันก็เลยยอมยอมออก จึงมาคิดว่าโอ้สมัยเป็นเด็กๆ เ, เนี่ยเขาหามศพผ่านหน้าบ้านใครเจ้าของบ้านรีบพลิกบันไดพลิกเอาหลังบันไดออกมาเขาทำเคล็ดถามผู้เฒ่าผู้แก่ว่าทำอย่างนั้นเพื่ออะไรเขาบอกว่าถ้าพลิกบันไดแล้วผีมันขึ้นไม่ได้เลยมานึกถึงอิติปิโสถอยหลังของหลวงปู่ดีนี่เลยท่องกลับเนี่ยมันจะท่องตามไม่ได้มันยอมเพราะฉะนั้นท่องไว้เลยอิติปิโสถอยหลัง หลวงพ่อชอบเก็บเอาเคล็ดเล็กๆน้อยๆอย่างเนี้ยซึ่งมันเป็นความจริงก็อย่างผีที่มันเข้าสิงคนที่บ้านหนองจะบกหลวงตามีท่องมนบทไหนขึ้นมามันท่องจบไปก่อนหลังจากหลวงตามีไล่ไม่ออกเขาก็เอามาที่นี่หลวงพ่อกระเทศให้มันฟังพอเทศจบมันออกให้ส่วนบุญมันแล้วมันออกพอหลังจากนั้นมียายคนหนึ่งผีสิงเป็นประจํา มาจากสระบุรีพอมาก็เอามาเล่าอดครนให้ฟังไม่ทราบกรรมเวรอะไรอยู่ๆวิญญาณก็มาสิงมาทง่งเลยบอกว่าไหนให้มาทรงดูสิทีเนี้ยพอมันท่งแล้วก็ไม่ได้ถามรอกว่าแกเป็นใครมาจากไหนก็เทศให้มันฟังพอเทศจบแผ่เมตตาแล้วก็อุทิศส่วนกุศลให้มันบุญกุศลอันใดที่ข้าทาบุญมาข้าอุทิศให้เจ้า เจ้าอนุโมทนาบุญนี้ไปเกิดดีมีสุขเสียพอพูดจบมันขยับขยับไปถึงประตูไอประตูเนี่ยปกติเราดึงแทบจะไม่ออกมันตบปังทีเดียวประตูเปิดอ้าเสร็จแล้วผีก็ออกไม่ทราบว่ามันมากวนอีกหรือเปล่าแม่ไก่ที่แปดริ้วเหมือนกันพอเทสให้ฟังจบมันออกแม่ไก่เนี่ย ถามลูกชายมันเรื่อยมันมาอีกหรือเปล่าไม่มาเลยหลวงพ่อเมื่อก่อนพอแกนั่งสวดมนต์เข้ามาเนี่ยมันจะมาสิงทุกทีตอนที่ผีสิงบ่อยๆเนี่ยหน้าแกมองคล้ำพอผีไม่มาแล้วผ่องใสอ้วนผีขึ้นเพราะฉะนั้นแผ่เมตตาเรื่อยๆเนี่ยดี